อนุสยยะมก 1. อนุสัยเจ็ดคือ 1. นกามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือกามราคะ 2. ปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปฏิคะ 3. มานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือมานะสทิฏฐานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐิห้าวิจิกิจฉานุัสกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือวิจิกิจฉาหกภวะราคานุใสกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือภวะราคะเจด็ดอวิชชานุัสกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชาหนึ่งอุปัตติฐานวานสองปุจฉา กามราคาณุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัตชนากามราคาณุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมทธาตุนอนเนื่องปุจฉาปฏิคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัตชนาปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องปุจฉาคาณานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัตชนา คานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรู ป, ปรธาตุอรู ป, ปรธาตุนอนเนื่องปุจฉาทิฏฐานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัตชนะทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนะ วิจ<S 々>ิตรฉาในที <genres> ่น <dans thanks> <HHH> ี้ค <t os> <t os> ือในสภาวธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องปุจฉาภวะราคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนาภวะราคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องปุจฉาอวิชานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนาอวิชานุสัยในที่นี้คือ ในสภาวธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องอุปัติตฐานวานจบ 2. มหาวาน 1. อนุสยาวานอนุโลมบุคคลเอกกมุ ล, ลกไาฏสอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใด น, นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชช e, าปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโล <MO>. มปุชชาการมราคานุสัยของบุคคลใด น, นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้ น, นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชา มานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนามานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุชชากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง ทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนากามราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและทิฏฐานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุชชาทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชา การมราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาการมราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโดมปุชา วิจิตรฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวะราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาภาวะราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัย ของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนะเพราะว่ราคานุสัยของอานาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเพราะราคานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุชชากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อฏิลมปุชฌาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัติชนาอวิชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและการมราคานุสัยก็นอนเนื่อง 4. อนุโลมปุชฌาปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง มานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจารณาใช่ปฏิโลมปุตชามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจารณามานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุตชา ปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาะปฏิกานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิกานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโรมปุจฉา วิจิกิจฉานุใสของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเน anyway? nice. mm. ื่องภาวะราคานุใสและอวิชานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุใสของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาอวิชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่อง 5. อนุลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสยัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่อง แต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโรมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจตัญนาใช่อนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องเพราะราคานุสัยละ อวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 6. อนุโลมปุชชาทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา วิจิกิจฉานุใสของบุคคลใดนอนเนื่องทิฐานุัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาทิฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุัยและอวิชานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุใสของบุคคลใดนอนเนื่องทิฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาอวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฐานุส um. ัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและทิฐานุสัยก็นอนเนื่อง 7. อนุโลมปุจชาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจชา อวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาอวิชานุสัยของบุคคล3ามจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องแล้ววิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่อง 8. อนุโลมปุจฉาภาวะราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอาวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาะวะราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่เอกมูลกันัยจบทุกกมูลกันัย 9. อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง มานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกรารมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเ น, นื่องใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง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 การมาราคานุษัยและปฏิคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิลมปุชขาวิจิกิจฉานุษยของบุ้คลใด น, น, นอนเนะื่องการมาราคานุสัยและปฏิคานุษัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัย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 อวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องทุกกมูลกันัยจบติกะมูลกนักลกนัย10อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและ วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุใสปฏิค า, านุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิค า, านุใสและมานา น, านุสัยของบุคคลผู้เป็นปุะตชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่อง Beast, ปฏิโดมปุจชา วิจิกิจฉานุใสของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุใสของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุใสยละอวิชานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลม вами, ปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยได้มานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่อง กามราคานุสัยปฏิคานุษย์ใสและมานานุษยสก็นอนเนื่องติกะมูลกไนจบจตุกะมูลกไนัยบเออนุโลมปุจฉากามราคานุษย์ใปฏิคานุษย์ใมานานุษย์ใและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุษย์ใของบุคคล น, นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา วิจ er ิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุใสและอวิชานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิรลมปุชฌาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัยกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุุชนนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานา น, interior, านุสัยและทิฐานุสัยก็นอนเนื่องจตุกะมูลกนานัยจบปัญจกะมูลกนานัย 12. อ, อนุโลมปุตชา กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องเพราะว่ราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจชาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้น ก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนะอวิชานุสัยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานนุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัยของบุ้คลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฐานุสัยก็นอนเนื่องปัญจกมูลกไนาจบชกมูลกไนสิบสอนุโลมปุถชากามราคานุสัยปฏิคานุสัย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 ของบุคคลนั <mission> yem, ้น <ec> ก <lect preserving illa> ็นอนเนื <Oliver> ่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัย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 เอกมูลกนัยจิสอนุรมปุจฉากามราคาอนุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคาอนุัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาปฏิคาอนุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคาอนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุรมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง มานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลม like <S <S right ปุจชามานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนามานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้ก็คือในเวทนาสองในกามาธาต นอนเนื่องและกาม ร, ราคานุสัยก็นอนเนื่องอน <to> ุโลมปุจฉากามราคานุใสในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิทัดชนา วิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาในรูปประธาตและอรู ป, ประธาตนอนเนื่องแต่กามราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสใสในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาต์นอนเนื่องและกามราคานุใสก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุใสในที่ใดนอนเนื่องภาะวะราคานุใสในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาะ ไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาภาวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกาม ร, ร, ราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาะไม่ใช่อนุโลมปุจฉากาม ร, ราคาหนุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา อวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยในที่นี้ก็คือในทุกขเวทนาในรูปประทัดและอรูปประทัดนอนเนื่องในแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องสิบห้า อนุโล ah. มปุจชานะ。ปฏิค ah. า, านุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจชา。มานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่อนุโลมปุจชาปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้น ก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง วิจกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องและปฏิกานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาปฏิกานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก <clears S 1> in ็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาภาวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา ปฏิการนุส okay? yes. ัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุชชาอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิการนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิการนุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องสิบหมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิศานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจชาวิจิกิจานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนา วิจิกริชนุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกริชนุสัยในที่นี้คือในเวทนสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉามานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนามานานุสัยในที่นี้คือ ในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ในภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุใสในที่นี้คือในรูปประธาตุและอรูประธาตุตอนเนื่องและภวะราคานุใสก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาภวะราคานุใสในที่ใดนอนเนื่องมานานุใสในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา มานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิทัชนาอวิชานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นี้คือในเวทนสองในกามธาตุ และในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องและมานุสัยก็นอนเนื่อง17อนุโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา ทิฏฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุชชา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 อนุโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่อง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 ใช่สิบ้าอนุโลมปุจฉาเพราะว่ราคาอนุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิจานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิจานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะวราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิจานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสาในการมธาตุนอนเนื่อง แต่ภวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องอวิจานุัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูประธาตุนอนเนื่องและภวะราคานุใสก็นอนเนื่องเอกะมูลกไนจบทุกกะมูลกไนยี่สอนุโลมปุชชาการมาราคานุใสและปฏิคานุใสในที่ใดนอนเนื่อง มานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัตชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉามานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนามานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปประธาตนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง มานานุสัยและการมาราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโรมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยละ วิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจชาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่อง <surveys> ใช่ไหมวิจัดชนาวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปประธาตุนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง วิจ lesson, ิกิจฉานุสัยและกามราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการาตทนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจฉนา ไม่มีปฏิโลมปุจชาเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมาราคานุสัยและปฏิคาอนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจารนาไม่ใช่อนุโลมปุจชาการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชชาอนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจาชนาไม่มีปฏิโรมป est, est ุจชา อวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามาราคานุสัยและปฏิกานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจารนาอวิชานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามาราคานุสัยและปฏิกานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยและการมาราคานุสัย <mechanisms> ในท anyway, ี่นี้คือในเวทนาสองในการธาตุนอนเนื่อง แต่ปฏิการนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยและปฏิการนุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนานอนเนื่องแต่กามาราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องทุกกะมูลกไนจบติกะมูลกไนยี่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิการนุสัยและมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง ทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิเัษชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิเศษชนาวิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่อง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 กามราคานุสัยปฏิคานุส s a i ไดมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุส s a ในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโรมปุชชาเพราะวิราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาเพราะว่าราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือ ในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุใสและปฏิคานุสัยไม่นอนเนื่องกามราคานุใสและมานานุใสในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุใสและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่ภวะราคานุสัยกามราคานุสัยและ มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิศัตชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนา อวิชานุสัยไดมานานุสัยในที่นี้คือในรูปประทัดและอรูปประทัดนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการทาต์นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่อง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 วิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูประธาตนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคาณุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง วิจิกิจฉานุสัยการมราคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่กามราคานุใสและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัย ปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุชชาเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัิชนา เพราะว่าราคานุสัยมานานูใสและทิฐานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคาณูใสและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคาณูใสมานานูใสและทิฐานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยและทิฐานูใสในที่นี้คือ ในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่ภาะวะราคานุสัยกามาราคานุใสละมานานุใสไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามาราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสละทิฏฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุใสในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิสัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาอาวิชชานุใสในที่ใดนอนเนื่อง กามราคานุษัยปฏิคานุษัยมานานุษัยและทิฏฐานุษัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจชนาอวิชานุษัยมานานุษัยและทิฏฐานุษัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่การมราคานุษัยและปฏิคานุษัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุษัยกามราคานุษัยมานานุษัยและทิฏฐานุษัยในที่นี้คือ ในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุใสปฏิคานุัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมาราคานุใสและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องจตุกะมูลกไนจบปัญจกะมูลกไนย23สิบสามอนุลมปุจฉา กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใด น, นอนเนื่องาาภาวะราคานุสั ย, น ย, นยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัตชนาไม่มีปฏิโดมปุชชาภาวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนา ภาวะราคานุสัยมานานุูใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคาณูใสไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง ปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่พวาราคานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุลมุจิฉาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มี ปฏิโลมปุชฌาอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาอวิชานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่อง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 แต่กามราคานุสัยไดมานานุัยไม่ใช่นอนเนื่องปัญจกะมูลกันัยจบชกกะมูลกันัย24อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง อวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโดมปุจชาอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยคานานุสัย ทิฏฐานุสัยวิจิกริชนุสัยและภาวะราคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกริชนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่อง แต่ปฏิคานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องชะกะมูลกนัยจบ